สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเรามาพบกันอีกนะคะกับรายการสันสนีสนทนาสำหรับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะคะในส่วนของรายการที่เราจะได้พบกับพระมารคชาคาวโรวั น, นาปะพงลำลุกาคลองสิซึ่งท่านจะมาอธิบายขยายความพุทธวัตรจากพระโอษฐ์โดยเฉพาะเลยนะค ะ, ะก็จะได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเป็นแค่วันศุกร์วันเดียวเนี่ยมาเป็น วันพริหัสสมบดีด้วยมีพฤหัสและวันศุกร์สองวันฟังกันเต็มๆโดยเดี๋ยวเมื่อถึงช่วงเวลาของท่านจะอธิบายเพิ่มเติมกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าดิฉันเองห่วงใยสุขภาพของท่านทั้งหลายพอดีไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหมอสิริศักดิ์วรินทราวาดท่านเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ก็ออกมาแสดงความห่วงใยถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะต้องระวังกันก็มีโรคไข้เลือดออกไข้าการหลังแอนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ตอนนี้ท่านพูดว่าถ้าหากมันกลับมาระลอกสองต้องให้ความสนใจให้จงหนักเพราะว่าอาจจะรุนแรงมากจากประสบการณ์ที่คนอื่นเขาเจอกันระลอกสองนี่มันจะรุนแรงมากขึ้นดังนั้นกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือแล้วก็ความรู้เดิมๆเกี่ยวกับโรคนี้ที่เราได้รับมาก็อย่าทิ้งไปเพราะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยลดน้อยลงต้องระวังอยู่เสมอนะคะพิษสุนัขบ้าบอกว่ามันระบาดนอกฤดูกาลอย่างไม่น่าเชื่อในปีนี้เนี่ยในประเทศไทยตายแล้ว15คนเป็นเหยื่อในกรุงเทพ6คนภาคกลาง7คนอีกคนหนึ่งนี้เป็นที่จังหวัดสงขลา เขาบอกว่าเรามักจะชะล่าใจกันว่าถ้าสุนัขมีเจ้าของกัดแล้วเนี่ยน่าจะปลอดภัยมากกว่าก็เลยไม่ค่อยไปรับการฉีดวัคซีนแต่จริงๆแล้วสุนัขที่มีเจ้าของก็ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเช่นเดียวกันกับสุนัขอื่นๆเหมือนกันกับอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าลูกหมาตัวเล็กน่ารักเนี่ยไม่เป็นอันตรายก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะอย่าคิดว่าช่วงนี้ไม่ใช่หน่าร้อนโรคพิษสุนัขบ้าอาจจะไม่มี นี่ก็เป็นความห่วงใยที่รายการไปได้ความรู้มาก็เอามาบอกกล่าวให้นะคะรายการสันสนีสนทนาดิฉันอยากจะให้พระคุณเจ้าได้มีโอกาสได้เสนอแง่มุมธรรมะนานๆดังนั้นก็ขอเกลิ่อนรายการตอนต้นสั้นๆแบบนี้ไว้แล้วเดี๋ยวอีกสักพักไปพบพระมาร์คชาคาวโรดได้กันค่ะ